บุ๊ก <Book> 2เจ็ดสิดสดชอบอยากเนชโตซากะเนชโตซากาคุณอยากสูบบุหรี่ไหมซากาเตลิดาปุชิเต สัลดูชตคุณอยากเต้นรำไหมสัลดาเต้นวัตตลดาเตวตคุณอยากไปเดินเล่นไหมสักดซชตัสดซชตัผมอยากจะสูบบุหรี่ยสสกดพูช Да คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหมซอดเขาอยากได้ไฟแช็กตุยอยากกผมอยากดื่มอะไรหน่อยอยา ผมอยากทานอะไรหน่อยอยากได а ย д ดําหนึ่งตัวอยากได้ยาดํานตผมอยากพักผ่อนหน่อยอกมากดอดมร์มากด้อดมรมผมอยากถามอะไรคุณหน่อย Сакам да ве п р а ш а м нешто. Сакам д а ве п р а ш а м н е ш т о ผมอยากขอร้องอะไรคุณหน่อย с มอยากขอร้ а м อ а ไรคุณหน่อย а มอยากขอร้องอะไรคุณหนผมอยากจะเลี้ยงคุณ с น่อยผมอยากข а ร้องอะไรคุณ а น่อยผมอยาก а อ а ้องอะ คุณจะรับอะไรดีครับงงคุณจะรับกาแฟไหมครับหรือว่าคุณจะรับชาดีครับ